รพระพาสิต ท, ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในมาคันธิยะปัญหาอันมาในอัตกระวักว่าบุคคลละที่อยู่แล้วไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยมุนีไม่ทําความเยื่อใยในบ้านว่างจากการทั้งหลายไม่มุ่งหวังอัตภาพต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันข้าบดีเนื้อความแห่งพระพาสิต ท, ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไวโดยย่อ พึงทราบโดยพิสดารอย่างนี้แลฮาลิติกานิสูตรที่สจบสีุติยะฮาลิติกานิสูตรว่าด้วยฮาลิติกานิขะปีสูตรที่สอง ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจานะอยู่ณภูเขาที่มีหน้าผาสูงชันเขตเมืองกุระคระแควนอวันวตีครั้งนั้นข้าพดีชื่อหาริทิกานิเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ถามท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพาสิทธินี้ในสักกะปัญหาว่าสมณพราหมณ์ผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาเท่านั้นจึงจะมีความสําเร็จขั้นสูงสุดมีความกเกษมจากโยคะขั้นสูงสุดมีพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดมีจุดหมายขั้นสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่ท่านผู้เจริญ เนื้อความแห่งพระภาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้พึงทราบโดยพิสดารอย่างไรพระมหาการณ์ได้กล่าวว่าขา้าพเดีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในรูปธปาตุท่านกล่าวว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วเพราะความสิ้นไป คลายกำหนัดดับสละปล่อยวางความพอใจเป็นต้นเหล่านั้นความพอใจความกำหนัดในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในวิญญาณธาตุท่านกล่าวว่าจิตหลุดพ้นดีแล้ว เพราะความสิ้นไปคลายกำหนัดดับสละปล่อยวางความพอใจเป็นต้นเหล่านั้นขหบดีพระพาสิทธทิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสักกะปัญหาว่าสมณะพราหมู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาเท่านั้นจึงจะมีความสำเร็จขั้นสูงสุดมีความกเกษมจากโยคะขั้นสูงสุดมีพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดมีจุดหมายขั้นสูงสุด เป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขหาบดีเนื้อความแห่งพระพาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้พึงทราบโดยพิสดารอย่างนี้แลทุติยะฮาลิทิกานิสูตรที่สจบ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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรเล่าตามความเป็นจริงคือภิกษุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งรูปความเกิดและความดับแห่งเวทนาความเกิดและความดับแห่งสัญญาความเกิดและความดับแห่งสังขาร ความเกิดและความดับแห่งวิญญาณอะไรเป็นความเกิดแห่งรูปอะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนาอะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญาอะไรเป็นความเกิดแห่งสังขารอะไรเป็นความเกิดแห่งวิญญาณคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพลิดเพลินเฉยชมยึดติดภิกษุเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดอะไรเล่า คือภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปเมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปความเพลิดเพลินจึงเกิดขึ้นความเพลิดเพลินในรูปเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดเวทนาภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดสัญญาภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดสังขารภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดวิญญาณเมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชมยึดติดวิญญาณความเพลิดเพลินจึงเกิดขึ้น ความเพลิดเพลินในวิญญาณเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีและถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งสัญญานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งสังขาร นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอะไรเป็นความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารอะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดอะไรเล่าคือภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูป เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดรูปความเพลิดเพลินในรูปจึงดับเพราะความเพลิดเพลินของภิกษุน <ls ufficient> ั้นดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดเวทนาเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดเวทนา ความเพลิดเพลินในเวทนาจึงดับเพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดสัญญาและถึงภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดสังขาร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 เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดวิญญาณความเพลิดเพลินในวิญญาณจึงดับเพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับอุปาทานจึงดับละถึงความดับแ่งกล้องทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งรูปนี้เป็นความดับแห่งเวทนานี้เป็นความดับแ่งสัญญานี้เป็นความดับแ่งสังขาร นี้เป็นความดับแห่งวิญญาณสมาธิสูตรที่หจบ 6. ปฏิสันลานสูตรว่าด้วยการหลีกเ้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวถี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 ความเกิดและความดับแห่งวิญญาณพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดารเหมือนในสูตรที่หนึ่งปฏิสันลานสูตรที่6จบ 7. อุปาทาปริตศสนาสูตร ว่าด้วยความสะดุ้งเพราะถือมั่นเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความสะดุ้งเพราะถือมั่นและความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า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 ความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งรูปก็ครอบงำจิตของปุตุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำปุตุชนนั้นจึงหวาดกลัวลำบากใจห่วงใหญ่และสะดุ้งเพราะถือมั่นพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาเวทนาของเขาแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะเวทนาแปรผันและเป็นอย่างอื่นวิญญาณจึงหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งเวทนาความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งเวทนาก็ครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำ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 เพราะสังขารแปรผันและเป็นอย่างอื่นวิญญาณจึงหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งสังขารความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งสังขารก็ครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำปุถุชนนั้นจึงหวาดกลัวลำบากใจห่วงใยและสะดุ้งเพราะถือมั่น พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณวิญญาณของเขาแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปรผันและเป็นอย่างอื่นวิญญาณจึงหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งวิญญาณความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรม ที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งวิญญาณก็ครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำปุถุชนนั้นจึงหวาดกลัวลำบากใจห่วงใยและสะดุ้งเพราะถือมัน่นภิกษุทั้งหลายความสะดุ้งเพราะถือมั่นเป็นอย่างนี้แหล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 ไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปรูปของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะรูปแปรผันและเป็นอย่างอื่นวิญญาณจึงไม่หมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งรูปความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งรูปก็ไม่ครอบงำจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่ เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยสาวกนั้นจึงไม่หวาดกลัวไม่ลำบากใจไม่ห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาไม่พิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาเวทนาของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่น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 ไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาและถึงไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขารไม่พิจารณาเห็นสังขารในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในสังขารสังขารของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะสังขารแปรผันและเป็นอย่างอื่น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 ที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งวิญญาณก็ไม่ครอบงาจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงาอริยสาวกนั้นจึงไม่หวาดกลัวไม่ลำบากใจไม่ห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมัน่นภิกษุทั้งหลายความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเป็นอย่างนี้แหลอุปาทาปริตสนาสูตรที่เจ็ด 8. ทุติยะอุปาทาปริตศสนาสูตรว่าด้วยความสะดุ้งเพราะเถือมั่นสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความสะดุ้งเพราะถือมัน่นและความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมัน่นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังละถึงความสะดุ้งเพราะถือมั่นเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรารูปของเขาแปลผันเป็นอย่างอื่นเพราะรูปแปลผันและเป็นอย่างอื่น โศกปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเราละถึงพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นของเราพิจารณาเห็นสังขารว่านั่นของเราพิจารณาเห็นวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราวิญญาณของเขาแปลผันเป็นอย่างอื่น เพราะวิญญาณแปรผันและเป็นอย่างอื่นโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิสุทั้งหลายความสะดุ้งเพราะเถมันเป็นอย่างนี้แล ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรารูปของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะรูปแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุก์โทมนัตและอุปาญาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกนั้น พิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราละถึงพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นสังขารว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราวิญญาณของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปรผันและเป็นอย่างอื่น โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาจึงไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกนั้นภิกษุทั้งหลายความไม่จะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเป็นอย่างนี้แลทุติยาอุปาทาปริตัสนาสูตรที่แดจบ แตยะอนิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงในสามการเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงไม่จําต้องกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเลยอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อาลัยในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินรูปที่เป็นอนาคต ปฏิบัติเพื่อความเบื่อนายเพื่อคลายคำนัดเพื่อดับรูปที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงละถึงสัญญาที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงสังขารที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงไม่จำต้องกล่าวถึงสังขารที่เป็นปัจจุบันเลยอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อะไรในสังขารที่เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินสังขารที stairs, pillows, in, ่เป็นอนาคตปฏิบัต <epherd> ิเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารที่เป็นปัจจุบันวิญญาณที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงไม่จำต้องกล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเลยอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อะไรในวิญญาณที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินวิญญาณที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบันกาลตยะอนิจจสูตรที่9จบ 10. กาลตยะทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ในสามการ เรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์ไม่จำต้องกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเลยอริยสาวกผู้ไ ด, ด้สดบเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อาลัยในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินรูปที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปที่เป็นปัจจุบัน เวทนาที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์ละถึงสัญญาที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์สังขารที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์วิญญาณที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์ไม่จำต้องกล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเลยอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อาลัยในวิญญาณที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินวิญญาณที่เป็นอนาคต ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบันการละตยะทุกขสูตรที่10จบ 11. การละตยะอนัตตสูตร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 ย่อมไม่อะไราในวิญญาณที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินวิญญาณที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบันการลัตตยะอนัตตสูตรที่สิจบน ก, กุลปิตุวักที่หนึ่งจบ ระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. นกุลปิตุสูตร 2. เทวทหสูตร 3. ฮริติกานิสูตร 4. ทุติยะฮลริติกานิสูตร 5. สมาธิสูตร 6. ปฏิสันลานสูตร 7. อุปาธาปริตัสนาสูตร 8. ทุติยาอุปาทาปริตตสนาสูตรเก้าการัตยะอนิจสูตรสิบการัตยะทุขสูตรสิบเอ็ดการัตยะอนัตตสูตร อ น, นิจจวัตหมวดว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงหนึ่งอ น, นิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรื่องิกษุ์ทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ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 ทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์เรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่า ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุกขสูตรที่สองจบ 3. อนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถี พ, พระผู้มีประภาคตรัสว่าภิสุท um? like ั้งหลายรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาภิสุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดบเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อนายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อนายแม้ในสังขาร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 ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปยะถะนิจสูตรที่สจบ 5. ยังทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข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 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปย่างทุกขสูตรที่ห้าจบ 6. ยะทะนัตตาสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี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 เจ็ดเหตุอนิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงพร้อมทั้งเหตุปัจจัยเรื่องเกิดขึ้นยุครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงรูปเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าเวทนาไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง เวทนาเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าสัญญาไม่เที่ยงละถึงสังขารไม่เที่ยงแม่เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงสังขารเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าวิญญาณไม่เที่ยงแม่เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงวิญญาณเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่า ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเหตุตุอนิจสูตรที่เจ็ดจบ สเสหต t u ทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์พร้อมทั้งเหตุปัจจัยเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกขแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์รูปเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไหนจากสุขเล่าเวทนาเป็นทุกข์และถึงสัญญาเป็นทุกขสังขารเป็นทุกข์ วิญญาณเป็นทุกข์แม่เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์วิญญาณเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไหนจากสุขเล่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสเสหตุทุกขสูตรที่8จบ